ครับตั้งวันนี้ใส่ชุดนี้มีเหตุผลประการเดียวคือมาขอบคุณขอบคุณคุณจักรนุกูลที่ให้โอกาสไปเรียนใช้เวลาเรียนนะเพราะว่าเมื่อไปเรียนก็แปลความว่าขาดการทำงานอย่างน้อยครั้งหนึ่งก็หนึ่งสัปดาห์แล้วก็ทางคุณจักรก็สับสนุนในเรื่องของการเดินทางไปเรียน ต้องขอขอบคุณตรงนี้แล้วก็บริการให้มีโอกาสได้ไปเรียนที่อเมริกาดิ่งเดือนนะก็ขาดโบทไปหนงเดือนนะนั่นคือว่าอันนี้ถ้าโบสถ์ไม่อนุญาตเราไปไม่ได้นะนะขอบคุณในสิ่งต่างนี้แล้วก็สมาชิกหลายคนได้ช่วยไอ้ฐานเผื่อนะครับแล้วก็ในครอบครัวหลานก็ดีคนอื่นก็ดีแล้วก็ ทีมงานที่ออกไปทำสารวจออกแบบสำรวจทำการวิจัยเพื่อทำการวิจัยน ะ, ะก็ใช้เวลาพอสมควรการออกไป้วต้างตากแดดตากอะไนีก้ก็อันนั้นคือส่วนหนึ่งสุดท้ายโดยพวกคุณของพระเจ้า <c oughs> ก็ได้สำเร็จตามน้ำประทยของพระองค์ก็คงไม่เพียงแค่เพียงแค่สำเร็จแล้วก็จบกัน เพราะว่าเป้าหมายในการเรียนไม่ใช่เรียนเพื่อปฏิบัติแต่เรียนเพื่อจะม า, าทำงานให้เกิดผลมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งยิ่งการพัฒนาคนในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเอาเรียนเขาเรียกว่าเอมมินนะมาสเตอร์มนะิสทรีนะศีบาะศาสตร์นะครับระดับป็ญญาโทเพื่อช่วยเพราะว่าคนเหล่านี้ปุ๊บชายนี่มีเวลากะไปเรียน ในในสถาบันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะไม่เคยมีโอกาสไปเพราะว่าเสีวลามากไม่มีเวลาทํางานแต่เรียนแบบนี้เรียนเชิงปฏิบัตินี้ก็สามารถมาเรียนได้นะครับแล้วก็คิจากเราเป็นพรเพราะเมื่อเปิดเรียนก็นอกจากภาคเหนนล่างแล้วบางคนที่เรียนอยู่ไกลๆต้องเก็บหน่วกิตไม่ได้เช่นอยู่บุรีรัมม์ก็เดินทางมาเรียนนะ อยู่เชียงใหม่ก็เดินทางมาเรียนพอลงทะเบ็บไปครบหน่วยกิจ น, นะทีเ่เข้าเรียนแล้วก็มาเขาไมะตามไม่ทันแ <c oughs> รงตาพวกนี้เมสอดตานั้นก็เป็นธรรมดามส่วนผ่านตัวตอนล่างและคนทะทอย่างอื่นต่อไปอีกเพื่อจะช่วยพัฒนาแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งการเสริมสร้างสาวกในกิึจัรด้วยอันนั้นก็ขอบคุณพระจานั้นจึงวันนี้ก็ให้รับรู้โดยทั่วกันว่าจบแล้วครับ <c oughs> จบแล้วครับนะฮะก็ห้าปีกว่าเนะห้าปีกว่าในการใช้เวลาเรียนนะฮะเรียนไม่ยากฮะแต่ตอนทำทีสี่ก็ลําบากหน่อยนะครับนั้นต้องต้องขอบคุณพระเจ้าเหตุผลที่มาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าเราสลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเราถ้าพระเจ้าไม่สลักผมไว้บนฝ่ามือหรือฝ่าประหัตของพระองค์แล้วเนี่ย โค้งคำมาไม่ถึงวันนี้อันนั้นั้องถือว่าเป็นก็คุณและความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานะครับพระเจ้ารู้จักเราดีการที่สลักมือในประวัตของพระองค์เนี่ยทําให้พระองค์รู้จักเราดีเราคิดว่าพระเจ้ารักเราไม่มากพอบางค้ำบางคางเนี่ยพระเจ้าลําเอียงก็มีแต่หรือพระเจ้ารักเราไม่เต็มขนาด ตามความต้องการของเราแต่จริงๆเนี่ยพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เราคิดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องถ้าประสบการณ์ส่วนตัวเห็นว่ามีบางคำบางคาดูเหมือนว่าเราน่าจะไปทางนี้ได้แต่ทําไมพระเจ้าไม่ให้เราไปนะฮะเหมือนกับพระเจ้าแทงกักอะไรหรือเปล่านะฮะควรได้ทําอันนี้แต่ไม่ได้ทําแล้วก็คิดมาไปนะสิ่งที่เราควรทําตามความรู้สึกเราเรากลับไม่ได้ทําเรากลับไปทําสิ่งที่ เราคิดว่าไม่น่าทําหลายครั้งเราคิดแบบนี้นะแต่เมื่อผ่านพ้นไปแล้วเราก็ขอบคุณพระเจ้าว่าถ้าเราไม่มีโอกาสทําสิ่งนั้นเราคงไม่มีโอกาสทําสิ่งดีในวันนี้อันนั้นคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เราคิดโรงรู้ว่าทํายังไงเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่ว่าพระเจ้ารักเราไม่มากพอก็เพราะว่าเราคิดว่าพระเจ้าไม่เข้าใจเรานะฮะแต่แท้จริงแล้วพระเจ้ารู้จักเราดีกว่ามากกว่า เข้าใจเราดีกว่ามากกว่าที่เรารู้จักตัวเราเองอันนี้ในส่วนตัวต้องยอมรับความจริงว่าหลายครั้งเราคิดว่าเรารู้จักตัวเราเองดีและเราอาจจะพูดคนอื่นเสมอว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเท่ากับตัวเราเองแต่เราไม่สามารถพูดคำนี้กับพระเจ้าได้เพราะพระเจ้านี่รู้จักเราดีมากกว่าตัวเราเองรู้จักตัวเราอันนี้ท่านลองสำรวจดูก็ได้บางคาบางคาท่านคิดว่า น่าจะเป็นงี้น่าเป็นงี้นะฮะโดยเพราะคำอธิฐานเราน ะ, ะคำอธิฐานเราก็มักจะเป็นสเต็ปนะเราได้วางแผนมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็อธิฐานตามแผนที่ที่เราวางไว้แล้วบอกพระเจ้าช่วยตอบตามแผนที่ข้าพรวางไว้ด้วยนะแต่พระเจ้าไม่ตอบตามแผนเรามีความสึกหมุดหยิดแผนดีๆทําไมพระเจ้าไม่อวยพรให้สำเร็จมองเ น, นี่ยนะพระเจ้ากลับไปทํอี้านหนึ่งพระเจ้ากลับไปทำอีกด้า น, าานหนึ่งปั๊บเนี่ยเรามีความสึกพระเจ้าไม่เข้าใจเรา แต่พอผ่านพวกนั้นไประยะหนึ่งเราก็รู้ว่าแผงเราใช้ไม่ได้พระเจ้าเปลี่ยนให้ดีแล้วนะมังคีมข้างมคาเราคาดหวังว่าจะได้นี้แต่พระเจ้าไมา่ให้เรากลับไปได้อีกครั้งซึ่งดีกว่าดีกว่าที่เราคิดมากมายกายกองอันนั้นคือสิ่งที่อยากกนุ์ใจให้ให้มองเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยรู้จักเราดีพอนะครับนั้นคถามที่น่าสนใจคือว่า อะไรเป็นตัวชี้วัดว่าพระเจ้าเนี่ยรู้จักเราดีนะอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าพระเจ้ารู้จักเราดีมีสองเรื่องเรื่องแรกพระเจ้าสลักเราบนฝ่ามือของพระองค์เรื่องสองเมื่อเราพบว่าพระเจ้าพบเราภาษานี้จะอาจจะ ย, ยายกหน่อยนะแต่เป็นความจริงเมื่อเราพบว่าพระเจ้าได้พบเรานะอันนั้น Wh. ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ารู้จักเราดีเราจะร่วมใจฐานด้วยกัน วิดาพระเจ้าผู้ทรงประชนันอยู่ครับทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าเ พ, พื่มผีตอนนั้นรับการอุ่นใจซึ่งมาจากพระเจ้าประโยชน์ในการสอนการตักเกนว่ากล่าวการปรปับปรุงแก้ไ ข, ข, ขยคยดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนพงษ์จะพร้อมในการทําการในทุกอย่างเวรอย์พอในขัานหมัยคนในการเข้าใจในพระเจ้าโดยการสาแดงผู้ิญาณบริสุดและขอพร้วญาณบริสุดทรงสิอยู่ทำกลางครับทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าตรัสทั้งหลายตามชอบน้าพระไทยพระเจ้าทุกประการ ขอบพระคุณโปร่งในทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระธรรมอิสยาห์บทที่49ข้อ 15-16 ได้กล่าวบอกว่าผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางและจะไม่เมตตาบุตรจากคันของนางได้หรือแม้ว่าเคเหลนี้ยังลืมได้กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้ารู้เถิดเราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรากําแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสม อ, อ น, นี้เป็นพระคำของเจ้าที่ตรัส ผ่านทางอิสยาห์พระเจ้าทรงสลักเราไว้บนฝ่ามือของเราแปลความว่าพระเจ้าเฝ้าดูเราอยูนะ่พระเจ้าเฝ้าดูเราอยู่ตลอดเวลาโดยการตั้งเราไว้ตรงพระพักของพระองค์ในข้อสีบบอกว่าดูเถิดเราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรากำแพงเมืองเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอ แล้วเคยนึกถึงพมพีข้อหนึ่งใช่ไหมที่ดาวพูดว่าข้าพเจ้าได้ตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอใช่ไหมอันนั้นเมื่อเรารู้สึกนะแต่สำหรับพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยตั้งเราไว้ตรงหน้าพระพักพระงตลอดเวลานั่นแปลว่ามันอยู่ในมือของพระองเนี่ยพระงก็ส่องดูตลอดเวลานะฮะพระองค์เห็นเราตลอดเวลาตั้งเราไว้ตลอดเวลามองดูกําแพงมือของเราทุกสิ่งอย่างของเราอยู่ต่อหน้าพระองค์ตลอดเวลา อันนี้คือสิ่งที่มองเห็นว่าคําว่าสลักมือว่าคือพระเจ้าเฝ้ามองเราดูตลอดรายกมือขึ้นมาก็เห็นเราแหละนะะพระองค์ไม่ต้องไปสอดสายสายตาไปไกลแค่ยกพระหัตถ์ของพระองค์มามือพระองค์มาพระองค์ก็เห็นเราแล้วพระองค์เฝ้ามองดูเราตลอดเวลาด้วยเหตุนี้จึงบอกว่าพระองค์ไม่เคยลืมเราแม้จะบอกว่าผู้หญิงผู้หญิงนี่ถือว่าสําคัญแล้วนะแม่หมายถึงคำเนี่ยแม่ แม่จะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางและจะไม่เมตตาบุตรจากขันของนางได้หรือผู้เป็นแม่ไม่ลืมแน่นอนเด็กพ่อลูกที่ยังอยู่ในวาระในเวลาต้องการน้ำนมจากแม่แม่จะไปไหนก็ได้แต่ไปไ ป, ไปถึงเวลาปั๊บต้องรีบกลับมาให้นมลูกไม่ลืมแต่ถ้าคนนี้ที่เราลืมลูกยากนะยังลืมลูกได้อยู่แต่พระเจ้าไม่เคยลืมเรา พระเจ้าไม่เคยลืมเราหลายครั้งหลายคาเราก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะพระเจ้าลืมเราหรือเปล่าหลายครั้งเราตั้งคาถามว่าทำไมพระเจ้าให้เราอยู่แต่คนเดียวทำไมพระเจ้าไม่สนใจเราดูเหมือนพระเจ้าลืมเราแต่พระเจ้าไม่เคยลืมเราเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ตรงหน้าพระเจ้าตลอดเวลานะตั้งลูกไว้ตลอดใช่ไหมอ่า คนเป็นแฟนกันก็มีรูปของแฟนอยู่ในกระเป๋าตังค์ที่ไหนก็ตามแต่นะบางคนหนักมา ก, ากติดไม่ใช่กระจกเลยไม่ใชกระจกแล้วแต่คนนะเพื่อจะไม่ลืมนะเพื่อจะไม่ลืมะอะไรต่างพวกนี้อันนั้นคือสิ่งที่ยจะมองเห็นว่าพระเจ้าสลักเราไว้บนฝ่ามือพระองค์เป็นการแสดงออกว่าพระเจ้าเฝ้ามองดูเราอยู่ตลอดเวลาตั้งเราไว้ตรงอพักของพระองค์ตลอดเวลาและพระองค์ไม่เคยลืมเรา นั่นเราจะเห็นอย่างน้อยเห็นเรื่องตอนพระเยซูเนี่ยอาถานบนภูเขาเห็นสาวกนะกันเชียงเรืออยู่กลางทะเลกำลังเกิดขึ้นลมเรือกลาลังจะลม่มนะเรือกำลังจะมีปัญหาเพราะขึ้นลมใหญ่พระเยซูทอดพระเนตรมองเห็นและก็ไปช่วยทำไมเพราะพระเยซูเฝ้าดูสาวกถึงแม้ไม่ได้ไปด้วยแต่เฝ้าดูอยู่ ถึงแม้เรามองไม่เห็นพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงเฝ้าดูเราอยู่และการเฝ้าดูเราอยู่นี้เป็นการยืนยันว่าพระองค์ไม่เคยลืมเรานั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวของเราขอหนุนใจว่าพระเจ้าไม่เคยลืมเรานะเป็นแต่เพียงว่าเราเนี่ยอาจจะเข้าใจพระเจ้าไม่ดีพอเราเลยคิดว่าพระเจ้าลืมเราเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะลืมเราเป็นไปไม่ได้นะฮะไม่มีทางที่จะทําให้พระเจ้าลืมเราเพราะในพระธรรม เจรมี uh, Jeremy, ว่าไม่มีอะไรที่ทําให้พระเจ้าไม่รักเราแม้ว่าเราจะเป็นคนบาปแม้ว่าเราเป็นคนบาปแต่พระเจ้ายังรักเรานะฮะแม้ว่าเราเป็นคนบาปแม้ว่าเรายังทําบาปอยู่พระเจ้าก็ยังรักเราและหาทางช่วยเรา ะหาทางช่วยเราอันนี้คือการแสดงความรักพระเจ้าการเฝ้ามองดูอยู่และหาทางช่วยตลอดเลา ว, ว่าจะทำยังไงแบบไหนที่ช่วยเหลือเราได้ก็มีขบวนการต่างๆมากม า, กายกลายกองเกิดขึ้นสุดท้ายคือทรงพระเยซูมาช่วยเรานั้นคือสิ่งที่ให้มองเห็นว่าพระเจ้าสลักบนมือของเราในสดีติบทที่1 3 9ขอ้อ13ว่าเพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันบันดาลข้าพระองค์พระเจ้ารู้จักเราทุกกระเบียดนิ้ว ถึงบอกว่าพระเจ้ารู้จักเราดีมากกว่าที่เราคิดเนี่ยเหตุผลที่พระเจ้ารู้จักเราเพราะพระเจ้าทอเราขึ้นมานะสร้างขึ้นมาอาจจะหยาบหน่อยจะทอขึ้นมาทอคือการใช้เส้นไหมเส้นได้ตามแต่ทีละเส้นทีละเส้นทีเส้นทอไว้กันปร่งรู้จักเขาเรียกเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรานะผมของเราโปรงยังนับไปทุกเส้นคำถามของผมว่า ผมมีประโยชน์อะไรมากมายนักหนาแต่พระเจ้าทรงนับแม้ในความทราบลวมท้วไผมก็มีหน้าที่ในการปกคลุมความร้อนปกช่วยทาให้ปกอากาศเย็นใช่ไหมนะฮะอะไรต่างพวกนี้เมื่อพระเจ้าสร้างขึ้นมาพระเจ้าก็มีประโยชน์แค่นี้ไม่มีอะไรมากมายแต่ถึงแม้ดูเหมือนไม่มีประโยชน์มากนักแต่พระเจ้าจังทรงนับไปทุกเส้นร่วงไปกี่เส้นหายไปกี่เส้นโรงทรงทราบ พงรู้เราเองยังนับเองไม่ได้เลยนะฮะไม่ต้องอะไรแค่ลนมะกระจุกเดียวแล้วก็ขิดๆนับแล้วเพราะมนับยากน ะ, ะมันนับยากจะมาดึงออกทเทเลสเซนนับยากนั่นคือแต่พระเจ้าเนี่ยรู้จักเราทุกขุมเ็ตเนี่ยเพราะเจ้าทอเราปั้นเรานะฮะทั้งข้างนอกทั้งข้างในพระเจ้าทรงรู้จักเรา นั้นการสลักบนฝ่ามือพระองค์คือว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราเพราะพระองค์ทอเราขึ้นมาพระองค์สร้างเราขึ้นมาพระองค์ให้ชีวิตกับเราขึ้นมาอันนั้นคือสิ่งที่บอกว่าพระเจ้าสลักไว้บนฝ่ามือของพระองค์สลักเราไว้บนฝ่ามือของพระองค์การจะหมายความเนี้ยนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เมื่อเราเอาอะไรมาใส่ในฝ่ามือเราเนี่ยเราก็จะเห็นตลอดเวลาใช่ไหมอะไรก็ได้เราจะเห็นตลอดนะฮะเราเห็นละเอียด และอะไรก็ตามแต่ที่เราสร้างขึ้นมากับมือเราไม่จําเป็นต้องไปเปิดสมุดคู่มือบอกขึ้นมารู้ได้เลยอะไรที่เราสร้างมากับมือเนี่ยบอกขึ้นมารู้เลยผมเคยทํางานในโรงงานมอเตอร์ไซค์ประกอบมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสมุดปลาการก็มีการประกอบทุกชิ้นส่วนแ่ะนะฮะจาได้หมด พอพูดมาอ๋อมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อะไรต่างนะฮะไม่ต้องไปเปิดสมุดคู่มือดูว่ามันอยู่ตรงไหนพูดมาปั๊บคุณทีว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอ้น็อตเฮกเอะไอน็อตโตเมียภาษาช่างเครื่องน็อตโตเมียนะฮะนะฮะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนขนาดไหนอะไรต่างเนี่ยจับขึ้นมารู้เลยว่าเี่อันนี้มันกี่มิลเรรู้แล้วคุ้นกับมันนะฮะพอเราประกอบขึ้นมาเราเห็นปั๊บเนี้ย เรารู้ที่ว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างอันนั้นคือพระเจ้าสร้างเราก็มาบนด้วยมือของพระเองคนั้นพระเจ้ารู้จักเราดีนั้นเมื่อเราบางคำข่าวเรคิดว่าพระเจ้าไม่รู้จักเราพระเจ้าไม่ค่อยเข้าใจเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่พระเจ้ารู้จักเราดีเมื่อพระเจ้ารู้จักเราดีพระองค์รู้ว่าควรจะทำไงกับเราฉะนั้นคําว่าปล่อยให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าคือเชี่ยวปัง อะไรจะเกิดขึ้นใ ห, ให้มีความสำนึกเสมอว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเป็นผลนดีต่อผู้ที่รักองค์แปลความว่าอะไรพระเจ้าทรงดูแลอยู่และเราอยู่ต่อหน้าพระองค์ตลอดเวลาเราอาจจะมีความตั้งใจในการตั้งพระเจ้าไว้ต่อหน้าเราแต่ก็เป็นพักๆนะะไมลบพักนะ ข้าพเจ้าได้ตั้งพระเจ้าไว้ต่อหน้าข้าพระองเสมอนะเป็นพรักๆเป็นพักๆบางทีมาครั้งก็ลืมไปแต่พระเจ้านี่เป็นพักอยู่บนฟ่ามือนะฮะเห็นตลอดเวลาอะไรต่างพวกนี้ยนะนั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจมองเห็นว่าเพราะพระเจ้าสลักไว้เราไว้บนฝ่ามือพระเจ้าจึงรู้จักเราดีทุกกระเบียดนิ้วนะฮะทุกกระเบียดนี้ว่าเราคือใครนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้มั่นใจว่าพระเจ้ารู้จักเราและพระเจ้าจะหาทางช่วยเราถูกต้องแน่นอน นาทิ้งาคือเชื่อบรรกวังพงศ์นะครับตัวชีวัดที่สองที่ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้ารู้จักเราดีก็คือว่าเมื่อเราพบว่าพระเจ้าทรงพบเราอันนี้เมื่ีดูเข้าใจลําบากนะนะดูเข้าใจลําบากนะเราเคยจําพัมพีข้อนี้ได้ไหมที่เรารักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนอนะ่ะคล้ายๆกันที่เราบอกเราพบพระเจ้าเนะี่ยแท้จริงพระเจ้าพบเราก่อน แล้วเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อพระเจ้าพบเราแล้วนะฮะการพบการระหว่างเราพระเจ้าพระเจ้าเนี่พบเราก่อนเราเนี่พบปรงที่หลังแล้วเราพบปรงแล้วเราจึงรู้ว่าพระเจ้าทรงพบเราแล้วนะครับในข้อ12ของพระธรรมเยรมียิบเกข้อ12บสอาว่าแล้วเจ้าจะทูลขอต่อเราและมาอิฐานต่อเราและเราจะาจะฟังเจ้าเจ้าสแสวงหาเราแล้วพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้านั้นการได้พบพระเจ้าก็เกิดขึ้นจากการสแสวงหาพระเจ้า และเยเรมีพ le ูดช ah he ัดว่าแล้วเจ้าจะทูลขอต่อเรามาอีกฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้สินสุดใจเจ้าเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเราจะพบพระเจ้าและเราจะรู้ว่าพระเจ้าได้พบเราก่อนเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าและเราศึกประทับใจพระเจ้าเราจึงรู้ว่าพระเจ้ารักเราก่อน อันนั้นคือสิ่งที่มองเห็นในข้อยี่แปดเขาพระธรรมวัตถุบทที่สิบเอดบอกว่าบรรดาผู้ทํางานเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วจะให้ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขอันนี้ก็เป็นคําท้าทายพระเยซูพระเยซูมมาหาเราคำว่ามาหาเราแปลความอะไรพระเยซูเห็นเราแล้วนะพระเยซูเห็นเราบอกมาหาเรานะครับอันนั้นคือสิ่งมหะไม่ว่าท่านจะเหนื่อยขนาดไหนแบบไหนแบกภาระหนักอะไรตามแต่จงมาหาเราและทั้งหลายจะหายเหนื่อยเป็นสุข เมื่อเรามาหาพระเจ้าแล้วพบพระเจ้าเราก็จะหายเหนื่อยเป็นสุขถึงแม้ปัญหายังมีอยู่แต่ก็หายเหนื่อยเป็นสุขนะนั่นคือสิ่งที่อยากหนุนใจมองเห็นว่าเมื่อเราพบว่าพระเจ้าทรงพบเราแต่ว่าการจะมีประสบการณ์นี้เราต้องเริ่มต้นจากการแสวงหาพระเจ้าก่อนใยเหตุผลนี้มัทธิวบทที่หกข้อสามสามไงแต่ทั้งหลายจงแสวงหาเป็นยิงพระเจ้าและความชอบธรรมขององค์กรแล้วพระองค์ะะ จ, จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ เมื่อเราไอ้ฐานต่อพระเจ้าเราจะพบพระเจ้าและพระเจ้าประทานสิ่งที่เป็นความจําเป็นให้กับเรานั่นคือสิ่งที่อยากให้มองเห็นว่านั้นตัวที่ว่สองเรื่องสำคัญนะครับอันที่สองเมื่อเราพบพระเจ้าเมื่อเราพบพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าได้พบเราโอแผ่นชายทะเลเอ๋ยจงฟังข้าพระเจ้าชนชาติเจ้าชนชาติทั้งหลายแต่ไกลเอ๋ยจงฟังพระเจ้าทรงเรียกเจ้าข้าพระเจ้าตั้ง ตั้งแต่ในครันพระองค์ทรงตั้งชื่อข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในท้องมัรดาของข้าพเจ้าในสิยาบทที่สิข้อที่หนึ่งได้พูดว่านะฮะพระเจ้าทรงเรียกเรานะฮะเรียกเราไกลเรียกเราตั้งแต่อยู่ในครันและพระองค์ก็ตั้งชื่อให้เสร็จสับเรียบร้อยตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดาอันนี้กําลังบ่งบอกว่าอะไร ي, พระเจ้าเรียกเราก็เพราะว่าพระเจ้าพบเราน ะ, ะพระเจ้าเรียกเราเพราะพระเจ้าพบเรา ด้วยเหตุนี้นะฮะในพมพีในอิสยาส9ข้อ8เหเป็นกันพระเจ้าตรัสว่าในเวลาปวดปรานเราตอบเจ้าในเวลาในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้าเราได้ดูแลเจ้าและมอบให้เจ้าเป็นตัวพัญญาของนุตชาติเพื่อสถาปนาแผ่นดินเพื่อจะได้รับที่รับที่ร่างเปล่าเป็นมรดกนั่นคือสิ่งที่มองเห็นว่าในเวลาปวดปรานเราตอบเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านะ น, นี่คือสิ่งสําคัญที่ให้มองเห็น พระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งชื่อเราพระองค์ทรงโปรดเออ่ทําทสิ่งต่างๆเราเพราะพระเจ้าพบเราก่อนเห็นเราก่อนเราเองยังไม่รู้อีหน่วยนี่เลยนะะแต่พระเจ้าทําสิ่งต่างให้เราเรียบร้อยแนละ้วดูแลขณะที่เรายังไม่รู้จักพระองค์นะตั้งชื่อให้เราขณะที่เรายังไม่รู้จักพระองค์นะะทรงทําสิ่งต่าง ตั้งแต่ในคันบรรารนานในพระธรรมเอวิสัชว า, า, าตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกพระเจ้าแต่ทรงเตรียมเราไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกพระเจ้าทรงเตรียมเราไว้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้มองเห็นนะครับตัวอย่างที่สําคัญที่เรามองเห็นคือสักเคียสงานเราอ่านสักเคียสมีคําคําหนึ่งสําคัญมากฝ่ายพระเยซูสเสด็จเข้ามาเมืองเยริโคและกําลังจะทรงผ่านไป ดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อสักเคียสเป็นนายด่านภาษีเป็นคนมั่งมีสักเคียสพยายามดูจะเห็นพระเย ซ, ซูว่าพระองค์เป็นผู้ใดแต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่นด้วยเขาเป็นคนเตีย้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อได้เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์จะเสะด็จไปทางนั้นเมื่อพระเย ซ, ซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแหงนน้าพักดูสักเคียสตรัสับเขาว่าสักเคียสเอ๋ยจงเรีบลงมาเพราะเราจะต้องพักในตึกของท่านแล้วเขาก็รีบลงมา ต้อนรับลงด้วยความปรีดีนั้นสิ่งนี้สักเคียสทำคืออแสวงหาพระเยซูได้ยินเรื่องของพระเยซูอยากจะพบพระเยซูแต่ติดเรื่องต้องอยู่ที่ด่านภาษีติดเรื่องธุรกิจส่วนตัวไปไม่ได้แต่วันนี้โอกาสดีพระเยซูมาถึงที่เมื่อพระเยซูมาถึงที่อยากก็ดูเห็นว่าพระเยซูเป็นใครนะตัวเตี้ยมีภรษาต่างมากมายคือเขาไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมแพ้ รู้ว่าพระเยซูเด็ปนูกับวิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมาเดื่อแล้วตอนนี้ยนะก็จะได้มองเห็นพระเยซูชัดเจนคําถามที่น่าคิดก็คือว่าทําไมสักเคสยอมให้พระเยซูเข้าพักในตึกของเขาเจอกันแป๊บเดียวเรียกลงมานะสักเคสดีอกดีใจมากอะไรเป็นเหตุทําให้สักเคสยอมให้พระเยซูมาใช้ตึกของตัวเองพัก นะถ้าต่อมาอเห็นว่าโยเซฟก็เลี้ยงอาหารอย่างหากักอันนั้นคือสิ่งที่น่าคิดพร้อมควรอันนี้สองต่อมาของสักเคียกว่าฝ่ายสักเคสยืนทูลุกองค์ผู้มีเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าขา้าทรัพย์สิ่งของข้าปรงก้าปรงยอมให้คนอนาถาครึ่งหนึ่งและถ้าเขาถ้าข้าปรงได้ชอบโ ก, กงของของผู้ใดก็าปรงยอมคืนให้เขาสีเท่าพระเยซูตอบเขา ว, าว่าวันนี้ความรอดไปถึงครอบครัวนี้แล้ว เพราะคนนี้เป็นรูปของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุนุษได้มาเพื่อเที่ยวเพื่อเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดทําไมสักเคสยอมกลับใจใหม่สักเคสกับพระเยซูเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยถ้าคุยเหมือนกับหญิงชาวสมาเรียที่บอ่อน้ำมันข้อ ย, อยช่วย ไ, ไหมนี่เจอมาสักเคสมาลงมาวันนี้เราอยู่ในบ้านของเจ้านะฮะเอาสักเคสดีใจมากกระตือร้น กวีกวาดเข้าไปจัดการยินดีมากเลยคำถามว่าทำไมทาไมยินดีและสองทำไมสกิทจะอยู่ก็ประกาศนะฮะข้าพเจ้าโกงใครยินดีคืนให้สีเท่านะั้นรักึงหนึ่งจะแห้คนนราธาสขุป บ, บาทข้าพเจ้าเนี่ยนั่นคือสิ่งสกิทยอมเสดงออกในการกลับใจใหม่อะไรเป็นแค่คำตรัดนิดเดียวทำให้สักเทตเป็นไปไงล่ะมันง่ายเกินไปไหม หรือพระเยซูใช้อํานาจอะไรทําให้พูดไป่กี่คำแห่เราอยากได้อํานาจอย่างพระเยซูจังพูดแล้วก็กลับใจใหม่ก็วิกว้าให้ใช้ตึกทำกลุ่มเซลล์แล้วอต่นั่ น, น, น, น, นก็เลยลองคิดดีๆว่ามันเป็นเพราะ อ, อะไรชั่วแป๊บเดียวสักเคียยอมแต่เกี่ยวเขาว่าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าพบเราคําตอบคือว่าเมื่อพระเยซูทรงเรียกชื่อของสักเคีย ไอ้นุ่มลงมายังอีกเรื่องหนึ่งนะแต่นี่ลยสักเคียดนะฮะ <c oughs> <c oughs> เมื่อพระเยซูเดินไถึงที่นั่นพระองค์ทรงแหงนแล้วพักดูสักเคียดแล้วตรัสแก่เขาว่าสักเคียดเอ๋ยจงรีบลงมาพระเยซูไม่เรียกไอ้นุ่มพระเยซูไม่เรียกว่าไอา้คนอยู่บนต้นไม้เนี่ ย, ยลงมาแต่พระเยซูว่าสักเคียดลงมาเพราะเราต้องพักมนตึของท่านวันนี้แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดี อันนี้คือความอัศจรรย์คำอัศจรรย์อยู่นี้สักเคตกับพระเยซูไม่เคยรู้จักกันแต่พระเยซูเรียกชื่อสักเคตทูกทำไมพระเยซูรู้ว่าคนนี้ชื่อสักเคตเหมือนกับนาธนานเอลใช่ไหมมาหาพระเยซูก่อนมาหาพระเยซูตั้งถามว่ามีดียนใดมาจากนาเซ็ตหรือพอเขาเจอพระเยซูพระเยซูเพียงพูดว่า โอ้ชาวอสอนแท้ผู้ไม่มีอุบายอนะาเบอกเอ้ท่านรู้จักข้าพเจ้าไงอ๋อ oh, ตอนที่ท่านอยู่ใต้เต่มามืเดือเราเห็นท่านมันอัศจรรย์ฮะมันตื่นเต้นฮนะสะเคียดกับใจใหม่ยอมให้พระเยซูใช้ตัวเพราะว่าเห็นการจางว่าพระเยซูรู้จักเขารู้จักชื่อของเขาเรียกชื่อเขาเหมือนเราะฮะถามทุกคนที่รู้จักคนอกประยุทธ์ไห แล้วเลยประยุทธ์มาถึงที่นี่นะเรียกชื่อใครสักคนนึงเอาชื่อผมมาแล้วกันเดี๋ยวได้กลืนได้เปรียบเสีพเปรียบเสมอใจโอโหผมคงตื่นเต้นมากนะท่านไปรู้ชื่อผมได้ยังไงท่านรู้ชื่อผมได้ยังไงเราภูมิใจเสมอเมื่อใครเรียกชื่อเราอ่ะใช่ไหมเมื่อเขาเรียกชื่อเราต่อคุณแล้วพราะคนไม่คุค้นเคยเนี่ยเรียกชื่อเราภาคภูมิใจมากนะฮะ นั่นถ้าพลเอกประยุทธ์มาแล้วเรียกชื่อใครสักคนหนึ่งไม่เคยคุยกันไม่เคยเจอกันเป็นเรื่องเป็นราวเจอกันในทะีวีเราเจอเข้าอย่างเดียวเขาไม่เจอเรหรอกนะเรารู้จักเขาท่านพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคอสชอหัวหน้าคณะรัฐบาลเรารู้จักเขาดีขาเขาเป็นแน่นอนแต่เมื่อเขาเรียกชื่อเราขณะที่ไม่เคยเห็นหน้ากันขนาดไม่เคยมันเป็นอะไรที่อศัศจรรย์พระเยซูสักเคียบไม่เคยเจอกันไม่เคยเห็นหน้ากันไม่เคยคุยกันแต่เจอหน้าสักเคียบลงมา เข้าใจไหมฮะเหมือนกับหญิงชาวสมาเรียไปตามผวงเจ้ามาอ๋อข้าพเจ้ามีผัวเออใช่ไอ้ที่ผ่านมาหคนก็ไม่ใช่ปัจจุบันก็ไม่ใช่ตื่นเต้นนะรู้จักได้ไงอ่ะเป็นเหตุทําให้เขายอมรับว่านี่คือพระเจ้าพบเขาพระเจ้าพบเขาพระเยซูมาพบสักเคสเจาะจงมาพบสักเคสโด้วยกันเรียกชื่อคนต้องเยอะแยะไม่เห็นเรียกเลยเรียกเฉพาะสักเคส มันถือว่าเป็นการสัจจันท์ี่เขายอมลงมาแงนั่นคือสิ่งที่อย่างหนุนใจมองเห็นนันสักแครีบกระตือร้น ล, ลงมาให้ยอมให้พระเยซูใช้ตึกและทุกท้์ก็กลับใจใหม่เพราะรู้ว่าคนนี้แน่นอนเพราะมาสิหาคนนี้นอนคือพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกชื่อเราเขาพบว่าพระเจ้าทรงพบเขาแล้วคนที่พบพระเจ้ามักจะรู้ว่าพระเจ้าพบเขาก่อน มักจะรู้ว่าพระเจ้าห่วงใยเขาตลอดเวลามักจะรู้ว่าพระเจ้าดูแลเขามาเสมอมักจะรู้ว่าพระเจ้าได้เตรียมไว้ตั้งแต่นานแล้วลองไปถามใครดูก็ได้ผมเชื่อนะพระเจ้าเตรียมไว้ตั้งนานแล้วผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นงี้โอ้พระเจ้าเตรียมไว้แล้วณเวลานั้นไม่รู้แต่พอพบพระเยซูรู้เลยว่าพระเยซูได้เตรียมสิ่งต่างมาให้เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่เราจะรู้จักพระเยซูพระเยซูทรงรู้จักเราและทรงเตรียมเราดูแลเราเอาใจใส่เราจนกระทั่งเราได้พบกับพระเยซูเราลอ็อกอ๋อพระเยซูทรงพบเราก่อนเราเป็นเพียงแค่มาพบพระเยซูหลังจากพระเยซูเรียกชื่อเราสเคตลงมาตื่นเต้นมากนี่คือความอัศจรรย์ที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ไม่มีเรื่องอื่นเลย ไม่มีเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นเรื่องธรรมดาเราจะสงสัยโอ้โหทําไมพระเยซูพูดไม่กีค่คาพระเยซเูสักคิดลงมาก็เรียกชื่อไม่รงได้ยังไงอ่ะนะฮะไม่เคยรู้จักกันเรเรียกชื่อฉันน่ะนะฉันไม่เคยรู้จักพงพงไม่เคยรู้จักฉันไม่เคยคุยกันอะไรต่างพวกนี้แม้แต่พระเยซูมาสักคิดยังอยากจะเห็นหน้าในหน้าตาเป็นไงเคยได้ยินชื่อเสียงแต่ไม่เคยเห็นหน้าตาผมคนหนึ่งคนได้ยินชื่อผม แล้วคิดเป็นหน้าตาคิดหน้าตาว่าสวยเขาคิดหน้าตาผมสวยะหน้าตาผู้อย่างแต่มันเจอแล้วไม่ใช่มาเจอแล้วไม่ใช่นะฮะคิดกันทุระเรื่องเราคิดถึงพระเจ้าหน้าตาเป็นแบบนี้แต่พอเราพบพระเจ้าเออไม่ใช่แต่ที่สำคัญคือพระเจ้าเรียกชื่อเรานั้นหนุนใจให้ทุกคนได้มองเห็นว่าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าพบเราก็ต่อเมื่อเราได้พบพระเจ้า แท้จริงพระเจ้ารู้จักเราแต่ถามว่าอะไรคือตัวชี้วัดพระเยซูรู้จักเราดีอันดับแรกตัวชี้วัดที่หนึ่งพระเจ้าสลักเอาไว้บนฝ่ามือของพระองค์ตัวชี้วัดที่สองเมื่อเราพบว่าพระเจ้าได้พบเราจงสแสวงหาพระเจ้าเมื่อจะพบพระองค์ได้จงทวนพระองค์ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้เป็นคําหนุนใจของอิสยาห์พระเจ้าได้พบเราแล้วหน้าทิ้งเราคือ สแสวงหาพงุ์แล้วจะพบพงศ์จงสแสวงหาพระเจ้าเมื่อจะพบพงศ์ได้ความหมายว่าพระเจ้าได้พบเราแล้วแต่เรายังไม่พบพงศ์ถ้าอยากพบพงศ์แสวงหาพงุ์และทูลต่อบพงศ์เราจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้เมื่อก่อนนั้นคิดว่าพระเจ้าอยู่ไหนงั้นมองดูฟ้าพระเจ้าอยู่บนฟ้าหรือเปล่าแต่พอเราได้พบพระเจ้าพงศ์เรารู้ทันทีว่าพระเจ้าอยู่ใกล้เราในยรมีว่าใกล้แค่คืบ ใกลแค่คือนเดินไปก็ไหลจะชนอยู่แล้วแต่เราไม่พบพระองค์แต่พระองค์ได้พบเรานานแล้วนั่นคือเพ่อนเจ้าจะแสวงหาเราแล้วพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราคนที่พบพระเจ้าก็มีเหตุผลเดียวเขาแสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจและเขาจะพบพระเจ้าด้วยความจริงใจอยากจะรู้จักพระเจ้าจริงๆอันเนี้เขาจะพบพระเจ้า และเมื่อเขาพบพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าได้พบเขานานแล้วในพระธรรมอิสยาห์สี่ห้าข้อสี่ว่าเพื่อเห็นแก่ยาโคบผู้รับชของเราและอเอเสนผู้เลือกสรรของเราเราจึงเรียกเจ้าตามชื่อของเจ้าเราให้นำกุ่นเจ้าทั้งทั้งที่เจ้าไม่รู้จักเราเข้าใจความหมายนะทั้งทั้งที่เรายังรู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็พบเราตั้งชื่อเราให้นำสกุลเรา อัศจรรย์นะฮะขั้นพระเจ้าทอประเนตรเห็นเขาเดินเข้ามาดูจึงตัดออกมาจากภ่มมามันว่าโมเสสโมเสสเอ๋ยโมเสสทูลตอบว่าข้าพรงอยู่ที่นี่เมื่อจะใช้โมเสสพระเจ้าเรียกชื่อโมเสสโมเสสโมเสสเอ๋ยพระเจ้ากับโมเสสไม่เคยพบกันแต่วันนี้พระเจ้าเรียกโมเสสมันตื่นเต้นโมเสสตอบว่า ข้าพรงอยู่ที่นี่และพระเจ้าเสร็จมาทับยืนอยู่ทรงเรียกอย่างนั้นครั้งก่อนๆว่าส ม, เมิเอลสมิเอลเอย๋ยและสมิเอลตอบว่าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่สมิเอลไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าแต่ถึงเวลาอันเหมาะพระเจ้าทรงเรียกส ม, เมิเอลเรียกชื่อส ม, เมิเอล ผมไม่เรียกสภพนามอื่นนะพระงเรียกชื่อนะตอนพระเจ้าเรียกเราพระองค์เรียกชื่อเรานะงั่นได้บอกคุ้นๆพระเจ้าไม่ใช้นายคนนั้นนะ่ะพระเจ้าก็ไม่ใช้ออหญิงสาวคนนั้นพระองค์ก็ไม่ได้พูดแต่เรียกเรียกชื่อเลยโมเสสสมอลอับราฮัมพระเจ้าเรียกชื่อเฉพาะจอจง การเรียกชื่อทําให้เรารู้ว่าคนที่เรียกเราคือพระเจ้าถ้าเรียกสับนามอื่นอาจจะไม่เกี่ยวกับฉันอ่ะใช่ไหมเรียกสับนามอื่นจะไม่เกี่ยวกับฉันอ่ะนะฮะแถมบางครั้งอาจจะตอบเติมนามสกุลป่าไม่รู้เพราะพระเจ้าบอกรักให้ชื่อนามสกุลนะบางทีเรามีข้อแก้ตัวเยอะพระเจ้าเรียกชื่อเราแต่บอกไม่ใช่ไม่ใช่นามสกุลฉันเออก็ได้ละแล้วก็เลยไปฟังแล้วนะเรียกใครอ่ะ ไม่บอกทำกุลเลยไม่ฟังก็ได้แล้วแต่ในะข้อแก้ตัวของคนนะแต่ทุกข้าทุกคนที่พระเจ้าเรียกเขารู้ว่าพระเจ้าเรียกเขาเขารู้พระเจ้าแล้วกเขานั่นั้นคนตอบข้าพงศ์ที่นี่เขาตอบว่าขอกรัดเถิดเพราะพระลูกชายขอระงคอยฟังอยู่เขารู้นั้นเราจะมาแก้ตัวไม่ได้เพราะพระเจ้าไม่เคยเรียกฉันนะะคนที่พระเจ้าเรียกเขาจะรู้ตัวพระเจ้าเรียก แต่ว่าเราจะตอบสนองพง์แบบไหนพระเจ้าเรียกชื่อเราแล้วหรือยังพระเจ้าเรียกชื่อเราแล้วหรือยังอันนี้ลองทบทวนดูและเมื่อพระเจ้าเรียกชื่อเราเราตอบไปไงตอบว่าข้าพงษ์อยที่นี่หรือตอบว่า ขอตรัสเถิด พ, พอผู้รับใช้พรงคอยฟังอยู่เราตรอบเราตรอบว่าอะไรนะฮะเมื่อพระเจ้าเรียกชื่อเราแสดงว่าพระเจ้าพบเราพระเจ้าเห็นสักเค็ดก็เรียกลงมาสักเค็ลงมาเมื่อพระเจ้าเรียกชื่อเราแสดงว่าพระเจ้าพบเราแล้วก่อนที่เราจะพบพระองค์พระเจ้าเนี่ยทรงพบเราแล้วเมื่อเราตอบพระเจ้า แสดงว่าเราพบพระเจ้าถ้าเราไม่ตอบพระเจ้าแสดงว่าเราไม่พบพระเจ้าหรือจะพูดอีกคำหนึ่งไม่อยากพบพระเจ้าเป็นไปได้ด้วยไม่อยากพบพระเจ้าเรียกเลยไม่ขานใช่ไหมเราไม่อยากพบใครเนี่ยเมื่อเขาเรียกชื่อเราเราไม่อยากขันนะ ออทำเป็นไม่ได้ยินเพราะไม่อยากพบทำไม่อยากพบทำหูทนลมอะไรพวกนี้นะะทำเป็นไม่รู้ไปชี้นะบางครั้งบางคาเราเป็นยิบเปล่าไม่รู้อ่ะพระเจ้าเรียกแล้วทำเป็นไม่ได้ยินอ่ะฮอันนั้นไม่รู้นั่นก็แล้วแต่คนอ่ะแต่ถ้าท่านตอบเมื่อไหร่แสดงว่าท่านพบพระเจ้าถ้าท่านไม่ตอบท่านก็ไม่ได้พบพระเจ้าเพราะโดยเจตนาไม่อยากพบก็ดี หรือเด็กโดยที่ไม่ยินเสียงก็ดีและแต่กรณีแต่เชื่อเถอะเมื่อพระเจ้าเรียกเราได้ยินแน่นอนแต่เราจะขานรับหรือไม่ขานรับยังเป็นอีกเรื่องผมเชื่อพระเจ้าทุกคนแหละแต่ท่านขานรับหรือยังท่านขานรับหรือยังถ้าท่านขานรับพระเจ้าจะพูดต่อแต่ท่านไม่ขานรับพระเจ้าก็ไม่ตอบไม่พูดต่อ นะเพราะถือว่ายัางไม่ยังไม่พบหน้ากันคนเรามาหันหลังคุยกันได้ไงถ้าอยากคุยกันหันหน้ามาเจอกันนะมีหรอเรียกเราอาจจะพูดแล้วก็พูดมาหันหลังให้เราไม่อยากคุยใช่ไหมพระเจ้าก็ไม่คุยหันหลังคุยกับพระเจ้าพระเจ้าไม่คุยนะฮะอันนั้นก็เมื่อพระเจ้าเรียกแล้วตอบสนองพูดแบบไหนแท้จริงเนี่ยพระเจ้าเรียกชื่อเราทุกวันไม่มีวันไหนพระเจ้าไม่เรียกนะฮะพระเจ้าเรียกทุกวัน แสดงว่าพระเจ้าพบเราทุกวันสังเกตไหมพระเยซ อ, อาดัมฮาวาในสวนเอเดนใช่ไหมพระเจ้ามาพบทุกวันและพระองค์ก็มาพบนะอาดัมฮาวา้าก็เรียกวันนะ่ะนะมาอาดัมฮาวา้าครับขาตอบนะมีวันหนึ่งไม่ยอมตอบมีวันหนึ่งพระเจ้าเรียกไม่ยอมตอบนะหลบไปอยู่ในพุ่มไม้อ่ะรู้ตัวว่าทำผิดไงก็เลยไม่ตอบอนะ่ะทุกวันขานตอบดี แต่วันนี้ไม่ยอมตอบบางครั้งชุกชิเตล์เป็นงนะั้นแหละปกติจะขานตอบดีแต่วันนี้ไม่ขานตอบนะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขานนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะกลัวว่าขาดทุนหรือเปล่าถ้าตอบพระเจ้าเนี่ยหรือรู้อยู่ในใจแล้วเรียกเม่อไหร่ก็ใช้วันนั้นเลยทําไม่ได้ยินตงนั้นแหละนะปล่อยเลยตามเลยอันนั้นก็นี้นั่นก็สิ่งใหญ่ใ น, นใจให้มองเห็นภาพนะฮะแต่เราตอบพระเจ้าทุกวันหรือเปล่านั่นคือคําถาม พระเจ้าเรียกทุกวันแต่เราตอบพระเจ้าทุกวันไหมนะครับจงตอบพระเจ้าเพราะพระองค์ปรารถนาใช้เราและอวยพรเราพระเจ้าใช้เราเพื่อจะอวยพรเราพระเจ้าไม่ใช่ใช้เราเพื่อให้เราเป็นทาสของพระองค์หรือให้เราเห็นว่าพระองค์ใหญ่เหลือเกินไม่ใช่ พระองค์เรียกเราใช้เราเพื่อจะอวยพรเรานั้นต้องเข้าใจนี้เดีวนะ่าพระเจ้าเรียกเราใช้เราเพราะพระองค์จะอวยพรเราถ้าพระองค์ไม่ใช้พระองค์จะอวยพรยังไงอ่ะเหมือนบางคนเรามีลูกเนี่ยบางทีเราอยากจะให้ตังค์ลูกอะ่ะแต่ให้เปล่าๆไม่ดีอะ่ะทําันนห้ใหหน่อยได้ไหมอ่าใช่ไหมทาแล้วก็ให้ให้เกิดเห็นคุณค่า เกิดเห็นอะไรบางอย่างหรือบางครั้งก็แฝงมาด้วยการใช้การฝึกฝนในการทํางานให้เป็นคนนี้สามารถทํางานเป็นนั้นจะให้เงินให้ทองลูกทีเนาะออาทำนี้ก่อนไอ้ลูกไม่เข้าใจอะไรจะให้แค่นี้ทํานู่นทํานี่นะเห็นเราเป็นลูกใช้ไปเรื่อยอ้าวลูกลูกชอบชิคไงเห็นเราเป็นพ่อเป็นแม่ใช้อํานาจใช้เราไปเรื่อยพ่อแม่ใช้ลูกมีเป้าหมายพ่อแม่ไม่ได้ใช้ลูกให้ลูกเป็นคนใช้พ่อแม่ไม่ได้ใช้ลูกเพห็ลูกเป็นทาส พ่อแม่ไม่ใช่ลูกเพ่าต้องการแสดงศักธาว่าฉันเป็นพ่อเป็นแม่คุณแต่ใช้เพราะมีเหตุผลต้องการให้เรียนรู้จักงานต้องการให้มีความอดทนต้องการให้เกิดนั่นเกิดนี่มีเหตุผลในการใช้แต่ลูกว่าถือเป็นพ่อแม่ใช้ได้ใช้ไปอ่าใช้ได้ใช้ไปนะนั่นก็ใจน ะ, นะกัดกาเฟแล้วแต่นะงุดงิดจะให้ตังทั้งทีก็ดูเหมือนมีท่าชีเยอะนะพ่อแม่เนี่ย และที่สำคัญแต่ให้ก็ต้องเห็นคุณค่าของเงินอันนี้ยคือพ่อแม่แต่ที่ลูกไม่เข้าใจที่พระเจ้าใช้เราเนี่ยโหพระเจ้าอะไรนักหนาะลูกยิ่งไม่มาก็ดีขอเป็นคริสเตียนปกติดีกว่านะมาคิดมาบวตกินข้าวกับบ้านนะฮะถวายทรัพย์มีอะไรบอกมาก็ดีขอบคุณพระเจ้านะแต่พระเจ้าต้องการให้เรารับผรมากกว่านี้พระเจ้ากำลังเรียกชื่อเรา ต้องการใช้เราปรารถนาจะอวยพรเรานะปรารถนาจะอวยพรเรานั่นคือสิ่งสําคัญหนุนใจให้มองเห็นภาพนี้นั้นก็หนุนใจว่าในชิวของเรานะครับขอพระเจ้าทรงนำหรืออวยพรอันนี้คือสิ่งสคัญนั้นถ้าพระเจ้าเรียกกรุณาขานเมื่อท่านขานตอบพระเจ้ารับประกันได้ทานจะพบพระงแต่ถ้าวันไหนท่านไม่ขานพระเจ้าท่านก็ไม่พบพระเจ้าแล้วและพระเจ้ามันจะใช้ท่านยังไงแล้วพระเจ้ามันจะอวยพรท่านยังไง จงขานต่อพระเจ้าเพื่อพระองค์จะใช้และอวยพรเราร่วมใจฐานด้วยกันอาลัยยาสรรเสริญพระเจ้าเราเล่นเพลงพรบคุณพระเจ้าด้วยกันสรรเสริญและขอบพระคุณในความรักของพระองค์ที่ทรงนำพาในือขับพังหลายให้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเฝ้าดูเราอยู่พระเจ้าสลักเราไว้ในมือของพระองค์สรรเสริญและขอบพคุณพระเจ้าอาลัยยาสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงบุญชนอยู่ครับพังหลาย ขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นพระองค์จึงใช้เราพระองค์ไม่ได้ใช้เราเพราะว่าเห็นว่าเราเป็นที่สู้พระองค์ไ <p> ม <arnos Spanish> right ่ได้แต mhm, ่พระองค์ใช <ti Mot> ้เราเพื <dro dips> ่อเราจะมีประสบการณ์กับพระองค์รู้จักพระองค์มากขึ้นเข้าใจพระองค์มากขึ้นได้รับพระพรจากพระองค์มากขึ้นสรรเสริญลขอบพระคุณพระเจ้าทั้งหนึ่งเราไม่รู้จักพระองค์แต่วันนี้พระเจ้าเรียกชื่อเรา และเราขานตอบและยิงพบพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าเฝ้าดูเร า, เารอยู่และพระเจ้าพบเราก่อนที่เราพบองค์สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้ า, า, โ, า, จาโอฮาเลลูยาชีวราราบาการาบากาสรรเสริญและขอบคุณพระเยซูพระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญขอบพระคุณพระเยซูให้เราอธิษฐานครับถ้าเราได้ยินเสียงของพระเจ้าให้เราขานตอบ และพระเจ้าจะตรัส ก, กับเราแต่เมื่อพระเจ้าตรัส ก, กับเราขอให้เรายอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วอาจจะมีตั้งคำถามว่าทำไม่ได้เพราะอันนั้นเพราะอันนี้นั่นไม่ใช่เงื่อนไขเมื่อพระเจ้าใช้เราแปลกวาว่าพระองค์มีหนทางให้เราสามารถทาได้ถึงแม้จะมีปัญหามีสักรออยู่ แต่พรุงภาษาใหม่เราผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปได้เพราะปรุงเลือกใช้เราแล้วขอบพระคุณพระเยซูขอพระเจ้าทรงนำไอ้ทั้งหลายจะฟังเสียงปรงุงการตรัสเรียกชื่อของขับของเราทั้งหลายเพราะถือว่าเป็นการเจาะ จ, จงที่ปรุงต้องการเรียกเราต้องการใช้เราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าอาลลูยาสรรเสริญพระเยซูขอพระเจ้าอวยพอและทรงนำ สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา้าทรงไวยพรทุกคนที่จะยินเสียงตรัสเรียกของพระเจ้าทุกวันและเราจะฝึกในการขานตอบทุกวันและเราจะฝึกในการทําตามทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเรียกของพระองค์ขอบพระคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบการทรงเจิมทรงยำ้ำข้าพกลายไวยพรในการข้างหลังจะได้เข้าสู่โต๊ะอาหารของพระองค์ด้วยกัน ขอบคุณในความรักของพระจาวในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน